สิมารก็มีอำนาจเก่งเกินพระเจ้าน่ะสิมารหรือซาตานบางอาจมีอำนาจขึ้นมานอกเหนือหรือเกินเก่งไปยิ่งกว่าอำนาจพระเจ้าได้อย่างไรทำไมพระเจ้าไม่ใช้อำนาจของพระองค์ ที่ยิ่งใหญ่เหนือสรรพสิ่งที่สุดแห่งที่สุดแท้ๆทำลายความทุกข์ทำลายมารให้หมดสิ้นไปจากโลกไม่ต้องให้คนใดๆในโลกมีทุกข์มีชั่วทำไมไม่ทำทำไมหรือทำไม่ได้ไม่เป็นความลำบากของพระเจ้าเองหรือ ที่ปล่อยให้มีคนชั่วหรือให้มีมารมาทำให้คนเลวเกิดขึ้นในโลกจนเป็นภาระแล้วพระองค์ก็ต้องมาช่วยผู้ตกทุกข์อีกทีเพราะมารมาทำความทุกข์แก่มนุษย์ขึ้นในโลกให้พระองค์ต้องใช้คำว่าต้องช่วยมนุษย์ต้องใช้คำว่า รับความทุก์แทนก็เนื่องจากปรารถนาให้มวลมนุษย์เป็นสุขแม้ยิ่งใหญ่ที่สุดต้องใช้คําว่าให้พระบุตรสละชีวิตไทยบาปแทนมวลมนุษย์มวลมนุษย์จะได้หมดบาปหมดชั่วหมดทุกขซึ่งน่าฉงนก็พระบุตรได้สละชีวิตไปแล้ว แล้วมานหมดไปไหมคนยังชั่ว ย, ยังทุกข์อยู่ไหมก็ยังเห็นทุกข์เห็นชั่วกันอยู่เต็มโลกพระบุตเสียสละชีวิตทายบาปทำไมไม่ได้ผลชะงัดเลยมันยังไงกันแน่ผู้คิดไม่ออกจึงต้องโงน